ท่านพระครูอยากเรียนถามพระเทระเจ้าอีกหลายเรื่องที่เกี่ยวกับกรุงธนบรุรีหากก็รู้ว่าเวลาแห่งการสนทนากาลังจะสิ้นสุดลงจึงพูดขึ้นว่ากระผมจะมีโอกาสได้สนทนากับพระเทระเจ้าอีกหรือไม่กระผมไม่ทราบทราบแต่ว่าค่าคืนนี้ กระผมได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้มานานสิ่งที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ท่านจะต้องนําไปบอกกล่าวแก่สิทธิอนุสิทธิ์ของท่านซึ่งมีทั้งฝ่ายที่รักเราแต่เข้าใจราชวงศ์ผิดและฝ่ายที่รักราชวงศ์แต่เข้าใจเราผิดนอกจากท่านแล้วเราไม่เห็นใคร ที่จะทำหน้าที่นี้ได้มิรัษัตย์แห่งกรุงธนบุรีส่งมอบหมายหน้าที่สำคัญแก่สมภารวัดป่ามะม่วงขอรับแม้จะเป็นภาระอันยิ่งใหญ่และหนักหน่วงเพียงไรกระผมก็จะทำจนสุดความสามารถการสอนคนยุคนี้ไม่ใช่ เ, เรื่องง่ายนะขอรับ เพราะฝ่ายมิจฉาทิฏฐิมีมากกว่าฝ่ายสัมมาทิฏฐินั่นแหละท่านจะต้องทำด้วยความระมัดระวังคนมีบุญเขาจะเชื่อท่านส่วนคนไร้บุญวาสนาก็ต้องปล่อยเข้าไปถือเสว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่ละคนมีกรรมเป็นของของตนเหมือนเราเหมือนท่านแต่เรากับท่าน โชคดีตรงที่ตัดความหลงในสงสารได้แล้วแม้จะตัดได้แต่กระผมก็ยังต้องใช้นี่นมนุษย์ต่อไปอีกจนกว่าวาระสุดท้ายของชีวิตจะมาถึงผิดกับพระเถวะเจ้าที่ไม่ต้องใช้นี่มากมายเหมือนกระผมท่านพระครูเปรียบเทียบ หากเราไม่ละสังขารก็คงต้องใช้นี่เช่นเดียวกับท่านบางเอิญเราอายุสัน้นมีเหตุการณ์ที่ทําให้ละสังขารเสียก่อนก็เลยไม่ต้องใช้นี่ท่านพระครูเรียนถามด้วยความเกรงใจว่าพระเทระเจ้าจะกรุณาเล่าเหตุการณ์ที่ทําให้ละสังขารได้หรือไม่ขอรับกระผมอยากทราบว่าพระเทระ เจ้าละสังขารเมื่ อ, อไรเอาละเมื่อท่านอยากทราบเราก็จะเล่าเล่าตามประวัติศาสตร์ก่อนนะวันที่หลวงอ า, าสาศึกถูกประหารชีวิตแทนเราประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่ารงกับวันที่5เมษายนพุทธศักราช2325หลวงอ า, าสาศึก คือคนที่เราบอกว่าหน้าตาท่าทางเหมือนเราเรากับเป็นคนคนเดียวกันส่วนเราถูกส่งตัวไปนครศรีธรรมราชในเพศบัพชิตซึ่งแผนการทั้งหมดนี้สหายเรากับน้องชายของเขาเป็นคนจัดการคนที่ติดตามเราไปชื่อเจ้าพัฒซึ่งต่อมาคือเจ้าพระยาพัฒผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชนอกจากนี้ เจ้าพัดยังพาชายาคนสุดท้ายของเราซึ่งกำลังตั้งคันอ่อนๆไปด้วยเมื่อไปถึงเจ้าพัดก็ได้พาเราไปอยู่วัดวัดหนึ่งเราตั้งใจจะบวชไม่ศึกจึงขอให้เขารับชายาเราเป็นพันยาของเขาและขอให้รับบุตรในคันเป็นบุตรของเขาด้วยแต่เจ้าพัดจงรักภักดีต่อเราจึงปฏิเสธที่จะรับชายาของเรา ไปเป็นพัญญาเขาเลี้ยงดูชายาของเราอย่างดีที่สุดต่อมาชายาของเราได้ให้กำเนิดบุตรชายเจ้าพัฒน์ก็ประครบประงมเลี้ยงดูอย่างดีราวกับเป็นบุตรของเขาเองบุตรคนนี้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชสืบต่อจากเจ้าพระยาพันในสมัยรัชการที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ราชการที่สามทรงทราบว่าเป็นบุตรของเราแต่พระองค์ยังทรงแต่งตั้งเท่ากับเป็นการพิสูจน์ว่าราชวงศ์มิได้มีเรื่องขัดเคืองบาดหมางกับเราบุตรผู้นี้ของพระเทวะเจ้าก็คือต้นตระกูลณ น, นครในปัจจุบันใช่ไหมขอรับถูกแล้วนอกจากนี้ยังมีบุตรที่ดา ที่เกิดจากพัญญาคนก่อนๆซึ่งต่อมาได้เป็นต้นตระกูลนะนะครราชสีมาและต้นตระกูลอินทรกําแหงด้วยส่วนเราเมื่ออยู่นครศรีธรรมราชได้สองปีก็อยากจะมาอยู่เมืองเพชรบุรีจึงบอกเจ้าพัดซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าพระยพัดแล้วสหายเราได้แต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้าพระยา เพราะเห็นว่าเขาจงรักภักดีต่อเราทั้งที่ไม่ล่วงรู้ถึงแผนการอันแยบยนที่เรากับสหายร่วมกันคิดขึ้นหากสหายเราคิดไม่ดีหรือที่คนสมัยนั้นหา ก, กันกล่าวหาว่าเขาเป็นกบฏเขาก็ต้องสั่งให้ประหารชีวิตเจ้าพัดผู้ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเส้นน้ำของเขาแต่นี่เขาแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพระยา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 แต่เมื่อเรายืนยันที่จะมาเจ้าพัดจึงให้คนมากับเราสองคนและให้อยู่ในถ้าแห่งหนึ่งเราได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในถา้าไม่นานนักก็สามารถตัดความหลงในสงสารได้เพราะหลวงพ่อในป่าได้เมตตามาสอนกรรมฐานให้เราอย่างใกล้ชิดเมื่อถูกพาดพิงถึงหลวงพ่อในป่าจึงลืมตาและพูดเสริมขึ้นว่า วันที่พระยาตากบรรลุธรรมสูงสุดเป็นวันที่เขาละสังขารพระเทะเจ้าจึงเล่าต่ออีกว่าขณะที่เราดูดดื่มอยู่ในวิมุตติสุขก็ถูกชายชะกันสองคนใช้ไม้คมแฝกฟาดที่ศีรษะครั้นเห็นเราไม่เป็นอะไรเพราะกำลังอยู่ในภาวะแห่งความหลุดพ้นเขาทั้งสอง ก็กระหนังไม้คมแฝกลงไปอีกอย่างนับไม่ถ้วนเสร็จแล้วก็พากันหนีไปคงจะคิดว่าอย่างไรเสียเราก็คงไม่รอดชีวิตไปได้เพราะถูกตีหนักถึงป่านนั้นคนดูแลเราก็ถูกฆ่าปิดปากทั้งสองคนทำไมลุงพ่อไม่ช่วยพระเทระเจ้าล่ะครับพระบูฮีเวถามลุงพ่อในป่า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 สหายเราไม่ต้องทำอะไรเขาก็ฆ่ากันเองตายตกไปตามกันเราอยากให้ท่านไปยังถ้ำที่เราเคยอาศัยอยู่และไปเอาของดีมาเก็บไว้ของดีอะไรขอรับท่านไปถึงก็จะรู้เองกลับจากอินเดียแล้วท่านจงไปเอาของดีที่พระเทพระเจ้าบอกชื่อถ้ำและที่ตั้งแก่สมภารวัดป่ามะม่วง ูซึ่งรับว่าจะไปอย่างที่นั้นเมื่อกลับจากอินเดียแล้วความจริงทั้งหมดที่เราเล่ามานี้เมื่อท่านนําไปเล่าให้สิทธิ์ฟังก็ต้องบอกให้เข้าฟังอย่างปล่อยวางอย่าได้คิดเคียดแค้นชิงชังต่อฝ่ายกบฏหรือแม้กระทั่งฝ่ายพมา่าอย่าไปเก็บอดีตมาเป็นเหตุให้สร้างกรรมทาเวรต่อไปอีกอดีตก็คืออดีต มันผ่านไปแล้วต้องโอหสิกรรมต่อกันในอนาคตประเทศพม่าจะเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนายิ่งกว่าประเทศไทยคนพม่าจะพากันปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดขณะที่คนไทยไปหลงไหลในวัฒนธรรมตะวันตกพากันละทิ้งพระพุทธศาสนาอันเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย สังคมจะวุ่นวายนักการเมืองจะเอาเปรียบประชาชนผู้นาประเทศจะไม่สนใจคุณธรรมความดีแต่จะไปให้ความสำคัญกับความสุขสบายทางกายพยายามมอมเมาประชาชนที่ไม่รู้เท่าทันด้วยวัตถุและสิ่งปรนเปรอทั้งหลายปกครองประเทศด้วยตัญหามิใช่ด้วยปัญญาเยาวชนจะเสียหายกันมาก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 ท่านจะเป็นที่พึ่งของคนดีมีปัญญาส่วนคนสามต่ำปัญญาจะพากันริษยาใส่ร้ายป้ายสีท่านท่านต้องอดทนอย่าเพิ่งละสังขารเสียก่อนที่บ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยเมืองไทยไม่สิ้นคนดีแล้ววันหนึ่งคนชั่วก็จะพ่ายแพ้และมีอันเป็นไปตามกรรมของเขาขอให้ท่านสอนอย่างปล่อยวาง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 จะแจ้งแจ้งชัดเจนขึ้นในอนาคตเมื่อคนพากันลหลงไหลในวัตถุคนบาปก็จะพยายามแต่งพุทธประวัติและพุทธธรรมให้ผิดแพกแตกต่างไปจากความจริงโดยมุ่งประโยชน์ด้านวัตถุเป็นสำคัญไม่คำนึงถึงด้านติดใจเพราะไม่เคยปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานอย่างที่พวกเธอทำ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 เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในดินแดนชมพูทวีปก็จะทูกดัดแปลงให้มาเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่ากับจะทำให้พระพุทธศาสนาเกิดในประเทศไทยไม่ใช่ในชมพูทวีปแล้วก็จะสรุปว่าพระพุทธเจ้าก็คือตัวเขาไม่ใช่พระสมณะโคดม ที่เราเคยเรียนกันมาพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเขาจะตั้งตนเป็นศาสดาซึ่งเป็นเรื่องเสียหายมากพระธรรมและพระวินัยจะถูกทำให้วิปลาดคลาดเคลื่อนแต่ข้อนั้นเธอไม่ต้องห่วงเพราะพระไตรปิฎกฉบับที่ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์ ยังคงมีอยู่ในประเทศอื่นเช่นประเทศพม่าสีลังกาและประเทศตะวันตกในที่สุดพระพุทธศาสนาที่แท้จะหมดไปจากเมืองไทยแต่จะไปเจริญงอกงามในต่างประเทศถึงเวลานั้นเธอก็ละสังขารไปแล้วแต่ไม่เป็นไรขอให้สบายใจได้ คิดเสียว่าถึงอย่างไรพระพุทธศาสนาที่แท้ก็ยังมีอยู่ในโลกคนมีบุญวาสนาจะรู้จักของแท้ส่วนคนไร้บุญวาสนาก็จะอยู่กับของเทียมต่อไปลุงพ่อในป่าสอนสิทธิ์ให้ปล่อยวางทั้งที่สิทธิ์ของท่านปล่อยวางได้แล้วแต่ที่ต้องสอนก็เพื่อจะให้สิทธิ์ไปสอนสิทธิ์รุ่นหลัง ซึ่งคงจะมีไม่มากนักเพราะในอนาคตคนจะไม่ละอายความชั่วไม่กลัวบาปกรรมจึงทำชั่วทุกรูปแบบคนมีปัญญาจะเหลือน้อยคนข่าวจะเพิ่มมากขึ้นพูดถึงประเทศพ ม, มา่าผมขอถือโอกาสกราบเรียนลุงพ่อว่าพระพุทธรูปโบราณ ที่พระพ ม, ม่าชื่อครูบาวังได้มอบให้กับผมสมัยที่ทุดงไปพ ม, ม่ากับหลวงพ่อคราวนั้นบัตรนี้ไม่อยู่ที่ผมแล้วผมได้คืนให้เจ้าของเขาไปแล้วครับท่านหมายถึงนางสาวต้นเหลิวของของเขาก็ต้องคืนเจ้าของเขาไปแต่คนที่เธอให้นั้นเขาไม่มีบุญวาสนา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 วันหนึ่งสิทธิ์ของเธอจะไปวัดนี้สิทธิ์คนไหนครับท่านคิดว่าคงจะเป็นพระบูเหียวหลวงพ่อในป่ารู้ความคิดของสิทธิ์จึงพูดว่าไม่ใช่พระบูเหียวสิทธิ์ของเธอคนนี้เขาจะมาช่วยเธอสอนกรรมฐานแทนพระบูเหียวขณะ น, นี้เขาอายุสิบขวบยังไม่รู้จักเธอ และเธอก็ยังไม่รู้จักเขาอีกห้าปีเขาจะมาบวชเนรที่วัดป่ามะม่วงสามนเณรรูปนี้จะช่วยเธอได้มากปี2537เขาจะทุดงไปพมม่าและจะได้เห็นไม้เท้าของเราเวลาตีสี่เมื่อพระมหาบุญและพระภิกษุวัดป่ามะม่วง มาลงอุโบสถก็เห็นท่านสมภาร น, นั่งรออยู่แล้วผิดกับวันอื่นๆที่ท่านจะเดินเข้าประตูโบสถ์มาเวลาสี่นาฬิกาตรงเมื่อสง์แสดงอาบัตต่อกันเสร็จแล้วสมภารจึงจุดธูปเทียนและนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเริ่มตั้งแต่โยโสภขควาอารหังสัมมาสัมพุทโธไปจนถึงอัมหากังทีคารตัง หิตายะสุขายะโดยกล่าวนำธีรวัชให้พระลูกวัดว่าตามจบแล้วจึงทาวัดเช้าพร้อมกันเป็นภาษาบาลีไม่ต้องแปลหากเป็นเครือัดท่านจะให้แปลด้วยเพื่อจะได้รู้ความหมายของคำในขณะที่สาธยายการทาวัดเช้าเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาห้านาฬิกาจากนั้นเจ้าอาวาส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 ท่านให้เกียรติกับพระลูกวัดด้วยการเรียกว่าพระคุณเจ้าเมื่ออยู่ในที่ประชุมสงฆ์ผมมีเรื่องที่จะชี้แจงแสดงให้ท่านทั้งหลายทราบคือเมื่อเวลาสองยามผมเข้ามาในอุโบสถและอยู่ที่นี่จนกระทั่งถึงเวลาทำวัดอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้ท่านคงอยากจะทราบว่า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 ไรสาระแต่ประการใดเมื่อคืนผมได้พบและสนทนากับเทพสามองค์พระมหาบุญมีอาการตื่นเต้นที่ได้ยินได้ฟังอยากรู้ว่าท่านสมพาน์ได้สนทนากับเทพองค์ใดบ้างพระอินทร์พระพรมหรือพระยมบาลพระลูกวัดรูปอื่นๆก็พลอยตื่นเต้นไปด้วย เรื่องเทพหรือเทวดานี้มีมาในพระไตรปิฎกหลายเล่มอย่างเทพที่ผมสนทนากับท่านเมื่อคืนนี้อยู่ในพระสุตตันตปิฎกขุทกนิกายจูลนิเทศท่านไปค้นดูได้ในเล่มที่สามสิบข้อ654หน้า312เป็นพระไตรปิฎก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 จะต้องศรัทธาในคำทรงสอนของเสด็จพ่อต้องรักษาของดีนี้ไว้ให้เป็นมรดกตกทอดไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานผมรู้สึกเสียใจที่ชาวพุทธยุคนี้เขาไม่ศรัทธาในพระศาสนากันแล้วเพราะไปหลงระเริงในวัตถุมีทรัพย์สินเงินทองเป็นต้นในอนาคตการ แม้พระสงฆ์องค์เจ้าก็จะไม่ศรัทธาในพระธรรมคำสอนจะเห็นแก่ลาบสการะและสมณศักดิ์มากกว่าศรัทธาจะเสื่อมถอยน่าเป็นห่วงพระาศาสนามากเพราะฉะนั้นพวกท่านที่เข้ามาบวชในพระบวรพุทธาศาสนาจะต้องสำเนียกในเรื่องนี้ให้มากท่านจะต้องมีศรัทธาในพระาศาสนา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 เชื่อกฎแห่งกรรมว่ามีอยู่จริงวิปากสาสธาท่านจะต้องเชื่อผลของกรรมว่ากรรมมีผลจริงกรร ม, มส ก, กตาสาัธาท่านจะต้องเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนและที่สำคัญที่สุดคือตถาคตโพธิสัต t า ท่านจะต้องเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจในองค์พระตถาคตว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะทรงพระคุณทั้ง9ประการดังพนนาไว้ในบทพระพุทธคุณที่เราได้สาธยายกันไปเมื่อตอนทำวัดเช้าศรัทธาทั้งสี่อย่างนี้ตถาคตโที่ศรัทธาสําคัญที่สุด และเป็นที่มาของศรัทธาสามอย่างข้างต้นผมจึงขอย้ำกับท่านทั้งหลายว่าท่านจะต้องศรัทธาในพระศาสนาเมื่อท่านมีศรัทธาท่านก็จะมีภาษาทะที่เรียกรวมกันว่าศราัทธาภาษาทะคาว่าปสษาทะแปลว่าความเลื่อมใสความชื่นบานผ่องใสคืออาการที่จิต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 พระมหาบุญอยากฟังเรื่องเทพสามองค์จึงแอบคิดในใจว่าหลวงพ่อพูดชักไม่น้ำทั้งห้าอยู่นั่นแหละผมอยากฟังเรื่องเทพสามองค์จะแย่อยู่แล้วที่ผมเห็นเมื่อคืนไม่ใช่แค่สามองค์นี่นาะผมเห็นเป็นพันๆองค์ทั้งเทพบุตรุและเทพธิดาหรือว่าผมจะตาฝาดไปก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเห็นพระสามองค์พระมหาบุญมัวคิดเพลินอยู่ จึงถูกท่านพระครูทักกลางคันว่าท่านมหาอย่าเพิ่งใจร้อนเดี๋ยวท่านจะได้ฟังแน่นอนบรรดาพระลูกวัดต่างมองไปที่พระมหาบุญเป็นตาเดียวกันท่านสมภารจึงบอกพระลูกวัดว่าพระมหาบุญท่านหาว่าผมพูดชักแม่น้ำทั้งห้าเมื่อคืน ท่านแอบมองตอนผมเดินมาที่นี่ท่านได้เห็นเทพสามองค์ด้วยแต่ท่านไม่รู้ว่านั่นคือเทพนอกจากเทพสามองค์แล้วท่านยังเห็นเทพขบุตรเทพธิดาซึ่งท่านคิดว่าเป็นพันพันองค์ความจริงเป็นแสนแสนองค์นะท่านมหาเทพขบุตรเทพธิดามาฟังการสนทนา